ก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตนเองมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอยู่เองแล้วก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาอยู่นั่นเองตัวเราเองมีความตายเป็นธรรมดาอยู่เองแล้ว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 ก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นธรรมดาอยู่นั่นเองอีกก็อะไรเล่าเป็นสิ่งที่มีความเกิดเป็นต้นมีความเศร้าหมองโดยรอบด้านเป็นที่สุดนั่นคือบุตรภรยาท่าหญิงท่าชายแพะแกะไก่สุกรช้างม้าโคลา ทองและเงินเป็นสิ่งที่มีความเกิดเป็นต้นมีความเศ่อาหมองโดยรอบด้านเป็นที่สุดเป็นสิ่งที่มนุษย์เข้าไปเติร์ทูลเอาไว้ความคิดอันนี้ได้เกิดขึ้นแกเราว่าทำไมเนาตัวเราเองซึ่งมีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่เองแล้วจะต้องไปมัวแสวงหา สิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่อีกเชไหนไรนอเราผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาอยู่เองแล้วครั้นได้รู้สึกถึงโทษอันต่าชามของการมีความเกิดเป็นธรรมดานี้แล้วเราพึงแสวงหานิพพานอันไม่มีความเกิดอันเป็นธรรมที่กเกษมจากเรื่องร้รัฐ ไม่มีทำอื่นยิ่งกว่าเิดเหรานั้นโดยสมัยอื่นอีกยังหนุ่มเดียวเก้สายอย่างดำจัดบริบูรณ์ด้วยความหนุ่มที่กำลังเจริญตั้งอยู่ในปฐมไ่เมื่อมารดาบิดาไม่ปรารถนาด้วยกำลังพากันร้องไห้น้ำตาหนองหน้าอยู่ เราได้ปลงผมและหนวดกรองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วและนี่คือรายการธรรมะกาประชาพระมหาภัยบุญอภพิปุนโญจากวัดป่าดอนไหส่งอำเภอดองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำ ชาวสถานีวิทยุแห่งนี้นําเรื่องราวที่เป็นไปในทางคําสอนของพุท ธ, ธานี่แหละมาให้ธรรมูุฟังได้ฟังกันในวันนี้ธรรมบุฟังเป็นวันเพ็ญเดือน8วันเพ็ญเดือน8ก็คือเดือนอาสาฬหะเราก็จึงเรียกว่าเป็นวันอาสาฬหะบูชาโดยปกติแล้วชาวพุท ที่มีจิตใจน้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะระลึกถึงวันนี้ในการที่พระพุทธเจ้าของเราได้สั่งสอนเทศนาไว้เป็นครั้งแรกที่ปาอิสิปตนะบรุคตายวันก็เรียกว่าเป็นการแสดงปฐมเทศนาซึ่งสถานที่ที่ปาอิสิปตนะนั้นอยู่ใกล้ๆกับเมืองพารณสี เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นหนึ่งในสังเวชนียสถานสี่มีเหตุการณ์ที่สําคัญที่เกิดขึ้นคือการที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมการที่มีบุคคลได้เห็นตามคือท่านพระโกลทัญญะก็จึงเรียกว่าโกลทัญญะผู้รู้หรื อ, อัญญากโกลทัญญะแล้วก็ได้มีพระสงฆ์รูปแรกเกิดขึ้นมีพระรัตนตรยัยครบ สมบูรณ์อยู่ที่นั่นนั่นเองเป็นในการที่เราทราบกันอยู่เป็นประจำข้าพเจ้าก็ได้เคยนําเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาให้ท่านฟังได้ฟังแยกแยะตั้งแต่เรื่องคําสอนในธรรมจักขปวตนสูตรเองแยกเป็นหลายๆส่วนตั้งแต่เรื่องการบรรลุธรรมของท่านพระอัญญาโกลัญญาเองว่าเห็นธรรมจุดไหน สิ่งใดที่มันไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นดับไปอย่างไรทันทีเราเคยมาพูดทำความเข้าใจกันในรอบหลายๆปีที่ผ่านมาแล้วถ้ามีอยู่เหตุการณ์หนึ่งทํา้ฟังมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งซึ่งอาจจะไม่ได้นึกถึงกันมากเท่าไหร่ที่เกิดขึ้นในเดือนอาส า, ารหะนี้เหมือนกันเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเหมือนกันเกิดก่อนการแสดงธรรมจักนี้ด้วยซ้าเรามาฟังนึก ถึงไทม์ไลน์ลำดับขั้นของการเกิดเหตุการณ์คือพระพุทธเจ้าบรรลุสัมมาสัมพธิยาณที่ใต้ต้นโพที่เมืองขยา น, นั่นก็เมื่อเดือนหกสองเดือนที่ผ่านมาสองเดือนถัดมาคือในเดือน8จึงมาแสดงธรรมที่เมืองพรารณสีแต่ก่อนที่จะมาบรรลุธรรมเมื่อเดือนหที่ผ่านมาเนี่ได้บําเพ็ญ ความเพียรออกบวชทําความเพียนอยู่ตั้ง6ปีแล้วการออกจากเรือนของโพธิสัตว์เพื่อที่จะมาทําความเพียนบรรลุสัมมาสัมโพธิธญาณนี่โพธิสัตว์ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนก็ในเดือนอาสาฬหะนี่แหละน้ำบวชเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ได้ค่อยกล่าวถึงกันเท่าไหร่แต่ก็มีความสําคัญไม่แพ้กันน้ำบวชตอนที่เจ้าชายสินทัต t h ออกจากเรือนบวชในเดือนอาสาฬหานนี่แหละในวันนี้ข้าพเจ้าจึงนำเรื่องราวในการออกบวชศัพท์ที่ครูบาอาจารย์ในรุ่นที่ผ่านๆมาท่านจะใช้ ค, ชคำว่ามหาพิเนสกรมพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็คือออกบวชนั่นแหละเจ้าชายสินธตัธรรมบังเรื่องราวที่ข้าพเจ้าเคยนำมาเล่าให้ทรรมุฟังฟัง หรือตัมโมฟังอาจจะรู้จากพุทธประวัติในเวอร์ชั่นรูปแบบไหนๆที่เคยฟังมาเนี่ยว่าในเดือน6มีเหตุการณ์ที่สำคัญคือการประสูดตรัตรสรู้แล้วก็ปรินิพานในเดือนนั้นเจ้าชายสินธะเป็นเด็กน้อยคลอดออกมาจากคันมันดาก็เดือน6ถัดมา35ปีตรัสรู้ก็เดือน6ถัดมา2เดือนแสดงธรรมจาก ในปีเดียวกันก็เดือน8และถัดไปอีก45ปีย้อนไป2เดือนก็ปรินิพานนั่นก็เดือน6อันนี้คือที่ที่สำคัญสำคัญพระพุทธเจ้าระบุไว้เป็นสังเวชนิยสถานที่ควรไปดูไปชมถ้ามีศรัทธาทีนี้ที่ข้าหมายไม่ได้พูดถึงแต่คือในช่วงระหว่างที่ประสูติแล้วจนถึงตรัสรู้เนี่ยตรงไหนจุดไหนที่เป็นการออกบวช ใ น, นหลักฐานทางประวัติศาสตร์จากเรื่องราวที่มีในธรรมบทบ้างในพระสูตรบ้างใ น, นเรานักวิชาการเนี่ยขาก็ได้ข้อสรุปเป็นข้อสันนิษฐานถือบังว่าเออพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์นี่ออกบวชเนี่ยน่าจะเป็นช่วงนี้ในช่วงเดือนอาหาสาระซึ่งก็มีเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับโพธิสัตว์ของเราคือเจ้าชายเินธัต์เนี่ยอยู่สองอย่าง คือหนึ่งการออกบวช 2. เป็นเดือนที่บ่วงได้เกิดขึ้นแล้วคือท่านราหุลกุมารได้ประสูติเกิดขึ้นก็ในเดือนอาสาฬหนี่แหละเป็นเรื่องตอนที่พระพุทธเจ้ายังเป็นโพธิสัตว์จึงอาจจะยังไม่ได้ค่อยมีใครกล่าวถึงมักจะกล่าวเรื่องของการแสดงธรรมาจ า, กการกันซะมากกว่าแต่ก่อนการตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่เหตุการณ์ในเดือน8 เดิอนอาสนะหะที่มีความสำคัญคือการที่พระองค์ออกมหาพิเนสกรมและการที่ราหุนกุมารได้อุบัติเกิดขึ้นวันนี้จึงจะนำเรื่องราวการออกบวชของพธิสารธรรมวังก่อนการตรัสรู้มาวิเคราะห์ทำการแจกแจงบรรยายให้ทมูมังได้ฟังกันพระสูตรที่ข้าพเจ้าได้ยกมาตั้งแต่ตอนต้นรายการอันนี้มาในปา ร, ราสิสูตร เป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าของเราเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังในอาสมของพราามที่ชื่อ ร, รัมกะที่บ่งบอกถึงความคิดความดำริของพระองค์เองว่าทำไมถึงออกบวชในเรื่องราวตรงนี้ก็มีพิสดารหลายอย่างนะท่านผู้ฟังนะมีหลายพูดง่ายหลายเวอร์ชั่นที่เขาจะเล่ากันมาวิธีว่าจะมีความพิสดารรายละเอียดดราม่าขนาดไหน แต่เอาที่เป็นพุทธพจน์ตรงนี้ก็จะมีระบุอยู่ในหลายๆที่ปาสราสิสูตรตรงช่วงที่การออกบวชนี่ก็มีหรือว่ากล่าวไว้สั้นๆในโพธิราชกุมารที่บูดถึงว่าขึ้นชื่อว่าความสุขแล้วใครๆจะบรรลุได้โดยง่ายเป็นไม่มีความสุขเป็นสิ่งที่ใครๆบรรลุได้โดยยากก็เลยตัดสินใจออกบวชอันนี้ก็มีในมีหลายพระสูตรที่เล่าถึงประวัติของพระองค์เอง จเน้นมาก็ตรงการทําทุกร ก, กิริยาหรือว่าหลังจากตรัสรู้รมแล้วช่วงนี้จะมีอยู่แต่ตรงจุดที่มีความคิดความดํารีอย่างไรในการที่ออกพนุ่งตรงนั้นเนี่ยจิตใจอย่างไรเพราะเป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ครั้งที่สําคัญมากในะตมฝังคือถ้าไม่มีการออกบวชเนี่ยคุณไม่ต้องพูดถึงการมาตรัสรู้แสดงทำอะไรต่างๆนี่เราจะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเราจะไม่ได้ยินได้ฟังคําสอนของพุทธะเลย แต่เพราะว่ามีการตัดสินใจในการออกปวดตรงนั้นในศครับที่ครูบาอาจารย์ท่านใช้ก็จึงใช้คําว่ามหาพิเนสกรมนะก็คือมาจากคําว่ามหาบวกกับคําว่าอภิแล้วก็ไปร่วมกับคําว่านิคมะนิคมะก็คือเนคคามะนั่นเองคือการออกแต่เขาก็จะใช้ความหมายเฉพาะเจาะจงลงมาที่ว่าออกจากกามในเปนการหลีออกจากกามครั้งยิ่งใหญ่ครั้งสําคัญ ก็จึงใส่คำ ว, ว่อาอภิแล้วก็มหาเป็นอภิมหาอลังการไปเลยชาวบ้านเราก็จะเรียกว่าออกบวชนะละศัพ์นี้นะมหาภิเนสกรมเนี่ยก็จะใช้กับเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นตอนที่พระพุทธเจ้ายังเป็นโพธิสัตว์อยู่ยังไม่บรรลุสัมมาสัมพุทธญาณตัดสินใจออกปวดตรงนี้จะใช้ศัพท์นี้กับพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าสาวกตัวตัวไปเช่นท่านพระสารีบุตรท่านพระัญญาโกลทัญญาเนี่ย ก็จะใช้คำว่าบรรพชาก็คือหมายถึงบวชจะใช้ศัพท์นี้เฉยๆเรามาทำความเข้าใจตรงนี้สหน่อยหนึ่งตระบวงว่าโพธิสัตว์เนี่ยคิดอย่างไรคิดอย่างไรนะถึงออกบวชแต่นะตรงนี้เป็นการตัดสินใจที่สำคัญระบังเพราะว่าราหุลกุมารก็เพิ่งเกิดขึ้นแต่นะตรงนี้เป็นลักษณะของคนอินเดียในโบราณรนะบวงคือพอมีลูกเกิดขึ้นเนี่ย เขาเอาข่าวไปแจ้งให้พ่อหรือว่าคนที่สําคัญในครอบครัวมีปู่ย่าตาหรือยายทราบแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่คนนั้นเขาพูดออกมาคนที่นําข่าวสารมาบอกก็จะเอาคํานั้นแหละไปตั้งเป็นชื่อของเด็กที่เกิดขึ้นในวันนั้นกรณีของท่านพระราหุลในภายหลังมาบวชก็เป็นพระแล้วก็บรรลุธรรมขั้นสูงด้วยเป็นเอตตะคะใน เรื่องของการไยรู้ในเรื่องของตัวท่านพระราหุลเองนี่ข้าพเจ้าจะนำมาเล่าให้ท่านบูฟังในตอนต่อๆไปแะเพราะว่ามีรายละเอียดเยอะอยู่พอสมควรกระบมาถึงจุดที่ว่าพอเจ้าชายศินธฐาทราบถึงในเดือนแปนี่แหละทราบถึงการที่ว่ามีลูกเกิดแล้วจากนางพิมพาโดยมีคนนำข่าวมาบอกแล้วก็จึงอุทานขึ้นมาว่า โอ้บ่วงได้เกิดขึ้นแล้วบ่วงได้เกิดขึ้นแล้วแก่ว่าบ่วงนี้ก็คือราหุล น, นั่นเองราหุละเนี่ยแปลว่าบ่วงก็าก็จึงเอาชื่อนี้แหละไปตั้งเป็นชื่อของกุมารที่เกิดในวันนั้นชื่อนี้ก็จึงมีที่มาอย่างนี้ในตัวเจ้าชายสินตะาเองผู้ิขัิทของเราก็ลักษณะนี้เหมือนกันแต่ก็นำข่าวไปบอกพระเจ้าสุโธนะซึ่งเป็นพระราชบิดาว่านางศรีมห า, มายา ประสูติพระโอรสแล้วที่สวนลุมพินีนะพอนําข่าวไปบอกพระเจ้าสุโทธทนะเนี่ยท่านก็เลยอุทานขึ้นมาว่าโอ้เรสมหวังแล้วแต่คําว่าสมหวังนี่เขาพูดในลักษณะว่าได้ตามที่หวังแต่ชื่อนี้ก็คือสินธ a t t นั่นเองแต่สินธ a t t เนี่ยหมายถึงการที่ได้ตามที่หวังได้ตามที่ปรารถนาถ้าพูดง่ายๆชื่อคนไทยก็คือนายสมหวังนั่นเองแต่คุณได้ตามสิ่งที่ปรารถนา ดังนั้นสิ่งนั้นจึงชื่อว่าสมหวังและก็จะพูดในลักษณะนี้ทีนี้เจ้าชธายศีลธรรของเราท่านบุฟังเมื่อประสูตรมาแล้วดำเนินชีวิตในวัยเยาวเล่าเรียนความรู้ในสาขาวิชาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรัฐศาสตร์เรื่องนิติศาสตร์เรื่องการใช้อาวุธเรื่องอะไรต่างๆเรียนความรู้ต่างๆหมดแล้วท่านูุฟังก็คงจะทราบในเรื่องราวของพุทธบริบัติส่วนนี้ดี ได้รับการบำรุงบำเรออย่างไรเขาก็จะนิยมมาพูดกันในตอนที่เกี่ยวกับการประสูตรทีนี้เลื่อนไหลมาตรงจุดที่ว่าราหุนกุมารเกิดเริ่มมีบ่วงมีความคิดยังไงในการที่จะหลีกออกตัดสินใจตรงนี้เนี่ยเรื่องนี้มีความสำคัญนะฟังพระวัาชีวิตในประสาทราชวางังมีความหรูหราฟูฟ้าสบายละเบื่อง่ายอยู่สบาย ตัวเองเป็นมกุฎราชกุมารจะขึ้นกรองราดในโอกาสต่อไปเอ๊ะแล้วทำไมถึงมีความคิดในการที่จะลีกออกแตงตรงนี้พระพุทธเจ้าเองท่านได้ตอบไว้เองแต่ว่าตัวพระองค์เนี่ยมีความคิดตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นโพธิสัตย์ยังไม่ได้ตรัสรู้เนี่ยว่าเอ๊คนี้เขามีความเกิดความแก่ความตายความเจ็บไข้ความโศกความเศร้าหมองเนี่ยเขามีอยู่แล้วเขาก็ ยังแสวงหาสิ่งที่มีปัญหาเหล่านั้นเหล่านั้นอยู่ในตัวเราเองก็จะต้องเกิดต้องแก่ต้องตายเป็นต้นเนี่ยเราก็ยังจะไปแสวงหาสิ่งเหล่านั้นอยู่สิ่งเหล่านั้นก็คือสิ่งที่มนุษย์เทิดทูนยกย่องเชื้อชูนะชื่อเสียงเกียรติยศทรัพย์สินสมบัติความสุขเรื่องราวอรไรต่างทุกเรื่องเลยอะไรก็ตามที่มันเป็นขันธ์นนะ่ะถ้าเราไปแสวงหาสิ่งนั้นอยู่เนี่ย ก็คือว่าอย่างสวยงามความเกิดในสวยงามความแก่ความเจ็บความตายอันนี้คือช็อตที่1ในกรณีที่1ที่เห็นว่าเอตัวเราเองก็จะต้องเจอปัญหานี้นเจอปัญหานี้นะแล้วถ้าเราไม่ได้แก้ปัญหาเจอปัญหาคุณเห็นว่าสิ่งนี้เป็นปัญหาและไม่ได้ทําอะไรกับมันสักอย่างเหนึ่งเนี่ยคุณเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาทันทีในบางทีหนึ่งนะสมมติว่าในโครงการการทํางานของเรา ในหมู่บ้านเราในครอบครัวเราเนี่ยมีปัญหาสักอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วคุณก็เห็นปัญหานี้ด้วยแล้วก็ไม่ทําอะไรไม่ทําอะไรไม่ได้คิดว่าจะวางแผนอย่างไรคือการไม่ทําอะไรเนี่ยหมายความว่าไม่ได้คิดด้วยว่าจะแก้อย่างไรแต่แต่ถ้าบางทีรู้ว่าจะแก้อย่างไรแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องทําอันนี้ก็ถือว่ายังมีทางแก้อยู่แต่ถือว่ายังทําอะไรในใจอยู่แต่ยังไม่ได้ทําอะไรมาในทางกายนี้ปัญหาอะไรที่เราเห็นว่ามันมีเนี่ย แล้วเราไม่ได้ทาอะไรเลยเนี่ยอันนี้ชื่อว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาทันทีจำบุฟังเป็นส่วนหนึ่งทันทีเช่นว่าถ้าหน้าบ้านของเรามันสกปรกไม่เรียบร้อยแล้วเราก็ไม่ได้ทาอะไรเนี่ยมันไม่ถูกเดีย๋ยวนั้นอาจจะเอาทังขยะไปตั้งหรือทําป้ายมาติดหรือจะคิดอะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวมากไปกว่านั้นอันนี้ก็ถือว่ายังทําอะไรอยู่อ น, นี้เป็นลักษณะของผู้นนะําะจำบุฟังนะคือถ้าเห็นปัญหาแล้วและมีความคิดที่จะ แก้ไขหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะของผู้นำมีจิตใจที่มีความริเริ่มในการที่จะทำในการที่จะแก้สิ่งใดสิ่งหนึ่งนี่คือในขั้นตอนที่1นึ่งก็เรียกว่าเป็นประโยชน์ของตัวเองแต่เป็นประโยชน์ของตัวเองในการที่คิดว่าเออฉันมีปัญหาอยู่งั้นฉันแก้ดีกว่าแต่เพื่อที่ว่าเวลาวันหลังเนี่ยจะไม่ได้มาต้องมาแบบมาพูดมาบน่นว่าโอะ๊ะปัญหานี้มันมีปัญหานี้มันมีแต่คือเห็นตัวอย่า ง, น ะ, างนะจำเอาไว้นะ เห็ตัวอย่างจากพวกนางสนมที่เขามาพูดว่าเออเธอดูสิคนนั้นป่วยนะมาไม่ได้ไม่ได้มาทํางานป่วยนะโอ้ยดูไม่ได้เลยแย่จริงๆนะพูดลักษณะนี้นะอันนี้คือโดยอาถรรพ์นะจำว่วงนะทีนี้พอเห็นลักษณะนั้นได้ยินลักษณะนั้นเนี่ยก็มีความคิดว่าเอา้าคนพูดนี้ก็ต้องป่วยเหมือนกันนะสักวันใดวันหนึ่งใช่ปะแล้วคุณไม่ทําอะไรในการที่จะ แก้ปัญหาเรื่องความป่วยความเจ็บไข้ของคุณนะ่ะถึงแม้ว่าคุณจะกินอาหารดีออกกําลังกายที่คิดว่าเออมันจะไม่อาพากแต่ถ้าแก่ไปแก่ไปยังไงมันก็ยังอาพากอยู่ดีมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเอ๊เราจะแก้ปัญหนานี้อย่างไรนั่นคือมีความกิดในลักษณะนี้มีกินน้อมเข้ามาในตัวเองละว่าเอ๊ถ้าฉันเป็นอย่างนั้นเอ๊ฉันจะทํำยังไงตอนนี้เพื่อดีว่าไม่ให้ในอนาคตต้องเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนั้นมีความ กดมีความแก่มีความตายเป็นต้นแล้วในช็อตที่2ที่ผูหวังในขั้นตอนที่2ในข้อความนี้เนี่ยัยแฝงความหมายในเบื้องหรือข้อที่2ที่พูดถึงว่าเอ๊ะถ้าคนอื่นในอยู่ตัวอย่างเช่นนะตำรอจนะสมมติว่าถ้าตัวเราไม่มีเงินอย่างเงี้ยนะยากจนให้เราจะแก้ปัญหานด้ไง เ, เราก็ไปขียนขันแข้งทำมาหากินจนกระทั่งเราร่ำรวยแล้วใช่ มีเงินเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านกว่าไปทีนี้พอตัวเราร่ํารวยแล้วเนี่ ย, ยเห็นคนหนึ่งเขายากจนเราเคยยากจนมาแบบนั้นถ้าสงสารเอาเงินให้เขาก็แล้วกันอันนี้คือช่วยเขาแต่คือช่วยตัวเองจนกระทั่งได้เป็นเศรษฐีมาเศรษฐีละทีนี้พอเห็นคนอื่นเนี่ยที่เขาเคยยากจนเหมือนเรา่อดอยากปากแห้งบางทีจะหาข้าวกินสักมือหนึ่งก็ไม่มีเนี่ยโดยความที่ตัวเองร่ํารวยขึ้นมาแล้วมีเงินทองมากแล้ว เห็นใจคนอื่นเนี่ยก็เลยอะงั้นให้ทานแต่จัดแจงข้าวน้ำอะไรต่างมาให้เขากินแต่ว่าให้เขากินเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ชอบอาหารที่เราจัดหามาให้เอางีล้ละกันเอาเงินให้เขาแต่เขาอยากกินอะไรเขาก็ไปซื้อเอาเองอันนี้ก็ดีขึ้นมาอีกใช่ไหมแต่ว่ามันก็ยังกินได้แค่มือเดียวมื้อต่อไปก็ยังต้องหิวอีกวันต่อไปก็ยังต้องกินอีกเอาก็ให้อีกแต่วันต่อไปก็ให้อี ก, อ ก, ใ, หอกให้อีกก็กินวันเดียวมือเดียวหมด นวันถัดไปก็ต้องกินอีกให้อีกเอ๊ทำไงที่มันจะดีกว่า น, นี้ยั่งยืนกว่า น, นี้เอางี้หาอาชีพให้หาอาชีพให้ทําอ๋อทําอะไรไม่เป็นใช่ไหมงั้นฝึกอาชีพให้ด้วยให้การศึกษาด้วยฝึกอาชีพให้ด้วยนะหางานไม่ได้ใช่ไหยงั้นตั้งบริษัทให้เลยตั้งบริษัทให้รับคนที่จบมาเข้าทํางานจัดแจงทําธุรกิจให้มีรายได้เข้ามาเลี้ยงอยู่เป็นอยู่เนี่ยลักษณะการกระทําแบบนี้มีความยั่งยืนกว่านะยั่งยืนกว่าการที่อยู่ๆก็เอาเงินไปให้บริจาคให้ มันก็แก่เป็นครั้งคราวไปแต่พอฝึกอาชีพให้มีงานทำหาอาชีพให้ด้วยอันนี้คือตลอดทั้งชีวิตแต่มันก็แค่ตลอดทั้งชีวิตทำไฝ่ฟังเึกเหออไหมแค่ตลอดทั้งชีวิตถ้าตายไปชาติหน้าเกิดมาใหม่เอาคุณก็ยังต้องมาทนทุกแบบเดิมถ้าไม่ได้มีการให้ทานมาก็ต้องเกิดมายากจนอยู่ดีต่ให้ให้ทานมาอยู่บางทีผลของกรรมมันออกมาย่งไง ความที่สังสารวัตรวนเวียนไปเนี่ยบางทีก็เกิดมาชนอยู่ดีเอเจะแก่ปานานี้อย่างไรที่ใช้มีความยั่งยืนยิ่งกว่าในชาตินี้ซึ่งถ้าเรามาเปรียบเทียบในภายหลังนะธรรมบังนะคือพระพุทธเจ้าพอตรัสรู้แล้วสั่งสอนธรรมะแล้วบุคคลที่สามารถที่จะกําจัดความทุกข์ที่มีปริมาณมากอย่างน้อยๆที่สุดก็โซดาบัลอย่างเงี้ยกำจัดทุกข์ตั้งแต่ชาติที่8จนถึงชาติที่อเนกได้เนี่ย โอโหทุกลดไปเป็นปริมาณมหาศาลมากเนี่ยตอนนั้นก็ยังไม่รู้หรอกว่าจะใช้วิธีไหนแต่รู้อยู่ว่าแหมมันมาหลายชาติหลายภพเนี่ยมันทุกข์ละเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรไม่ใช่เฉพาะแค่ในชาตินี้แต่ให้มีความยั่งยืนไปจนถึงตลอดไปด้วยนี่คือสิตใจของพู้ที่จ์ที่มีความคิดอย่างนี้ในตะั้วังดูจากตรงไหนตั้งวังก็ดูจากตั้งแต่ตอนที่ตัวพระองค์เนี่ย ได้ตั้งปณิธานเอาไว้ในการที่จะตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนั้นพระองค์เกิดเป็นคนยากจนคนเขีนใจประสบอุบัติเหตุเรืออับปางในกลางมหาสมุทรมีแม่ไปด้วยแบกแม่ขึ้นบา่าแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานในการที่ถ้ารอดพ้นหรือไม่พ้นก็ตามโดยความเพียรที่เรามีเนี่ยขอให้บรรลุสัมมาสัมพุิญาณโดยตั้งจิตอธิษฐานอย่างนี้บอกว่า เมื่อเราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเมื่อเราพ้นจากทุกในวัฏฏะสงสารแล้วก็จะช่วยสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกขในวัฏฏะสงสารด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์จะกระทําในตำหนังในการที่จะให้คนพ้นจากความทุกข์ในกรณีนี้เห็นละว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นนี่คือมีความแก่ความเจ็บความตายเรื่องในตำนานเขาก็จะเล่าถึงการที่ เหนเทวทูตต่างๆมีเทวทูตสบ้างเทวทูตสี่บ้างเทวทูต5้าบ้างเทวทูตสนี่ก็คือคนแก่คนเจ็บคนตายเทวทูตสีนี่ก็เพิ่มเรื่องของสมณะเข้าไปเทวทูตห้านี่ก็มีการเกิดมีการถูกลงโทษเพิ่มเข้าไปด้วยอย่างนั้นก็ตามถ้าเรากลับมาดูตัวพุ ท, พทธพจน์ที่พระองค์ได้ตรัสไว้ในปาศราสีสูตรนี่ก็จะมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกความเศร้าหมอง พวกนี้ได้เห็นได้รู้ขึ้นกับตนเองละรู้ลักเห็นละจะแก้ปัญหานี้แล้ ว, ลว จ, ะนนละจะทํำยังไงในลักษณะที่คนอื่นจะรู้ตามได้ด้วยแตนะ่ถ้าเราไปหายานะยาชนิดที่แก้การเกิดความแก่เนี่ยเอ็มมันก็ไม่ได้เพราะว่ายานะั้นมันก็ยังต้องแก่ต้องตายสิ่งไหนที่มีความเป็นอนัตตาไม่เที่ยงแก่ตายแล้วจะมาทําให้ไม่แก่ไม่ตายนี่มันไม่ได้อยู่ละจะทํายังไงจะทํำยังไ ง, ง, ไงแล้วก็มีความคิดความเดร็ยอย่างนี้ มีประเด็นตรงหนึ่งที่ลหลายๆลายคนอาจจะมีความสงสัยว่าเอาแล้วลูกล่ะแล้วเมียล่ะนะมีความรักยังไม่สงสัยกันหรอที่ตัวเองต้องหลีกไปจากไปแต่ในเรื่องนี้ก็มีเหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่เกิดขึ้ น, นครั้งเดียวทุกฟังโพธิษัทเนี่ยต้องสละอย่างนี้มากมายหลายครั้งอันนี้จะทําให้เราเห็นอัธยาศัยของบริษัทวนะว่าการกระทำแบบเนี้หมายถึงการที่ว่าไม่ใช่ไม่รักแต่เพราะรักจึงกระทําแต่ถ้าได้เคย บอกไว้ในเรื่องของจุลโพธิที่เกิดเป็นพราหมณ์แล้วก็มีความคิดที่จะออกบวชแต่ว่าแม่ไม่ให้ก็เลยจับแต่งงานเอาคนที่ไปแต่งงานด้วยภรรยานั้นก็ไม่อยากจะครองเรือนเหมือนกันแต่ไม่อยากขัดใจพ่อแม่เอาก็เลยแต่งงานกันแต่ก็ไม่มีลูกพอพ่อแม่ตายไปก็เลยออกบวชในพระพุทธเจ้าตอนนั้นเกิดเป็นพราหมณอง์นี้แหละออกบวชแล้วก็ชื่อว่าจุลโพธิ ไ ป, ประพฤติสมณะรมปฏิบัติพรหมจรรย์อยู่ในสวนแห่งหนึ่งมีพระราชามาเห็นเลยถามมาเอนางพระมณีเนี่ยเป็นภริยาของเล่นหรือของใค ร, รนั่นจุฬาภรณ์ทีนัก็ตอบว่าเอ้ยไม่ใช่ภรยาแต่ว่าเป็นผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันเท่านั้นนั่นพูดง่ายๆคือเป็นภรยาเก่านั่นแหละแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันละนั่ประพฤติพรหมจรรย์กันละพระราชาเกิดความกำหนัดในนางพระมณีนั้นทั้งังก็จึงชุดฆ่านางไปโดยประการ แต่ตัวผู้ที่ใส่คือจุลาโพธวทนั้นมีความโกรธเกิดขึ้นก็พยายามข่คมความโกรธนั้นข่คมความโกรธนั้นและเล่าให้ฟังตรงนั้นบอกว่าเรารู้สึกตัวเราว่าแม้ใครจะทำร้ายนางบรามณีด้วยหอกอันคมกล้าเราก็ไม่ทำลายศีลของเราเพราะเหตุเห็นแก่โัวที่ยันแต่ใช่ว่านางบรามณีจะไม่เป็นที่รักของเราก็หาไม่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่มีกำลังวังชาก็หาไม่ แต่สัพพัญยุตยานเป็นที่รักของเราเราจึงตามประกองศีลของเราไว้และยังมีเรื่องราวที่พระองค์เคยเกิดเป็นเวสันดอนเรื่องของเวสันดรเราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาละให้ทานจนกระทั่งถูกขับไล่ออกจากเมืองไปอยู่เขาวงเวสันดรนะั้นมีความดาริในการที่จะให้ทานตลอดมีการสละออกอยู่จนเป็นนิสัย แต่มีครั้งหนึ่งตอนอายุ8ปดขวบเลานั่งอยู่ในประสาทราชบังมีความคิดว่าเออเราให้ทานภายนอกเพียงอย่างเดียวทานภายนอกเนี่ยยังให้เรายินดีไม่ได้เราจะให้ทานภายในด้วยถ้าว่ามีใครมาขอเนื้อหัวใจก็จะแวอกอกเอาเนื้อหัวใจนั้นให้ถ้าใครจะมาขอดวงตาก็จะควักเอาดวงตานี้ให้ถ้าใครจะมาขอเลือด ขอเนื้อก็จะปาดออกดูดออกให้เลยแต่ละตอนนั้นพอถูกกับไล่มาอยู่ที่เขาวงแล้วมีบราหม์ชื่อชูโชคไปกวนพูดง่ายๆคือไปขอนั่นล่ละเห็นคนขอมาแทนที่จิตใจจะมีความแบบ ม, มันจะมาอะไรแต่เหมือนบางทีขอทานมาหน้าบ้านเราเนี้ยโอ้ยไปไปไปไล่ไปไล่ไ ป, ไ ป, ไ ป, ไ ป, ไปให้แต่เศษ ส, สตังค์อย่างนี้แต่ว่าเวสันตนคือพระพุทธเจ้าของเราตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ย ไม่ได้มีจิตใจอย่างนั้นเลยท่านฟังมีจิตใจที่มีความยินดีว่าโอ้เราอยู่ถึง ข, น, ขนา น, นี้มีผู้ขอมาแม่เราจะได้ให้แล้วไม่หวงแหนฐา น, นวัตถุที่ตัวเองมีไม่ลังเลใจเลยเพราะเห็นแก่ปัญญาเครื่องตรัสรู้ได้เคยตรัสไว้ในที่นั้นบอกว่าลูกทั้งสองนั้นจะเป็นที่เกลียดจางของเราก็หาไม่พระนางมัตซีจะเป็นที่เกลียดจางของเราก็หาไม่ แต่สัพพัญยุตยานเป็นที่รักของเราเราจึงให้ของรักเพื่อสิ่งที่เรารักตรงนี้ธ้ามบวงจะทำให้เราเห็นอัตยาัสอัตยาัยจิตของโพธิสัตว์เนี่ยมีความน้อมไปในลักษณะนี้ในการที่จะทำสิ่งที่ทำไดยากอดทนในสิ่งที่อดทนไดยากเพื่อตัวเองด้วยเพื่อผู้อื่นด้วยเพื่อให้ผู้อื่นได้มีความตรัสรูด้วย มีความหวังพูดง่ายคือยังคล่องอยู่นั่นแหละในโพธิญาณซึ่งจะเป็นญาณเป็นความรู้ในการที่จะช่วยพาสัตว์นั้นให้พ้นจากความคล่องพ้นจากทุกในวัตาสงสารนี้จึงได้กระทําการกระทําที่ทําได้ยากท่านผู้ฟังเขาจึงเรียกว่าเป็นมหาพิเนสกรมทั้งความขยักขยังด้วยทั้งความรักด้วยแม้มันปนกันอยู่ในนี้หมดเลยนะความขยักขยังที่ว่าโอ้ยเกิดโอ้ยแก่โอ้วยตาย แต่มีความไม่พอใจไม่อยากมีสิ่งนี้อขาก็ยังรักลูกด้วยรักเมียด้วยโอจะทํายังไงมันปนมันคลักเคล้ากันอยู่ในนี้ยังมีเรื่องราวที่เขาเล่ากันมาพิสดารไปอีกในลักษณะเดียวกันกับที่เกิดกับท่านยักสสกุลบุตรเห็นพวกนางรำนางสนมต่างๆเนี่ยนอนกันเกลื่อนกลาดบางคนกดน้ําลายไหลบางคนก็นอนกรนกลืดกรืดบางคนก็ผ้าเปิดผ้าเลิก มีกิริยาไม่เรียบร้อยเหมือนกับซากศพเหมือนกับป่าช้าผีดิบเนี่ยมีความขยักขยังตรงนั้นต้องการจะแก้ปัญหานี้ในขณะเดียวกันก็รักลูกด้วยรักเมียด้วยแต่ก็จำใจที่จะต้องหลีกออกตรงนั้นก็จึงเรียกว่ามหาพิเนสกรมคำนี้เป็นคำของครูบาอาจารย์ในรุ่นหลังที่ท่านเรียกยกย่องพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ที่ท่านหลีกออกคือออกบวช ไม่ได้มีดนตรีตึืมๆ ม, มีคนมาร้องเล่นเวียนรอบโบสถ์สามรอบมีการโห่การแหนมหาพิเนสกรมไม่มีแบบนั้นนะแต่การหลีกออกของโพธิสัตว์ตรงนั้นไม่มีใครเลยมีแค่นายฉันนะอยู่คนเดียวแล้วก็เงียบๆอยู่ริมแม่น้ําไม่มีดนตรีไม่มีการแหนไม่มีการต้องเวียนรอบอะไรเป็นการอธิษฐานจิตทีนี้พอตัดสินใจหลีกออกแล้ว ก็มีเรื่องทดสอบมากมายท่านผฟังเรื่องที่เขาเล่ากันโดยพิศดารไปเนี่ยก็ยมีเรื่องของมารที่จะมาพยายามย่อโยนให้กลับไปครองราชมาเป็นพระแล้วเป็นชั m n แล้วก็มีความลำบากด้วยอาหารการกินที่อยู่ยังมีพระเจ้าพิมพิสารก็ยังมาชวนให้กลับไปครองราชแบ่งดินแดนให้ปกครองอีกแต่ว่าตัดสินใจ ล, ละท่านผูฟังเวลามันจบเนี่ยมันจบที่ใจใจยังไงมันตัดตรงนี้ ถ้าตัดที่แก่นของใจแล้วมันจะมาต่อทางกายทางวาจามันไม่มีจบแล้วตัดสินใจแล้วไม่ย้อนกลับอีกก็โดยเป็นมหาพิเนสกรมเดี๋ยววันนี้ได้ทำเรื่องราวที่เป็นอีกมุมหนึ่งทํามผู้ฟังในเรื่องของวันอาสาระบูชามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันแต่บอว่ามีคําถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆต้องการติดต่อกับทางรายการสามารถไปที่เว็บไซต์ได้นที่ puredma dot com p u r e d h a m m a com หรือว่าจะสดวกทางจุดไม้ขก็ส่งกันมาได้วัดป่าดอนหายโศกเลขที่หนึ่งหมู่แปดตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีวันนี้เวลาหมดแล้วข้าพเจ้าพระมหาภัยบูญอาพี่ปุณโนจากวัดป่าดอนหายโศกจริญปัน